งั้นเราเข้าสูเคสัตดดีกันเลยจ้าลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาลูกประทรมค่ะมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ลูกจะเข้ามารับบุญช่วยงานอยู่ที่วัดตั้งแต่ปี2543โดยมีพีษาชักนำมาสึ่งใตนนัภิาลูกแต่มาทำงานเป็นคนงานก่อสร้างอยู่ที่วัด ปัจจุบันนี้ลูกก็ยังทํางานอยู่ที่เดิมค่ะลูกรู้สึกรักวัดรักหลวงพ่อรักคุณยายและรักพี่ๆทุกคนที่วัดมากค่ะลูกกราบขอความเมตตาบรเิเวณคุณหลวงพ่อฝันในฝันดังนี้นนค่ะลูกแั่งงานมีครอบครัวแล้วและได้ตั้งท้องครั้งแรกเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม2547มีอาการแพ้ท้องรุนแรงมากอาจเจียนทุกวัน จนลูกผอมลงผอมลงจะกนั้นพอลูกท้องโตใกล้คลอดลูกและสามีจึงวางโครงการกันว่าายผีสาวสามีเป็นคนเลี้ยงให้พอท้องในแ8เดือนลูกจึงไปเตรียมตัวคลอดคลอดที่บ้านสามีที่จังหวัดสุรินทร์ทางแพทย์ได้กาหนดไว้ว่าลูกจะคลอดในวันที่ส5บหมกราคม2548แต่พอถึงวันที่30ตมตาคม2 5 4หี่ ลูกก็ได้ไปพบแพทย์อีกครั้งหนึง่งทางแพทย์เห็นว่าท้องลูกใหญ่ผิดปกติมากจึงสั่งอันตราสาวแล้วก็ตรวจพบว่า เ, เด็กทีท้องลูกเป็นเด็กแปพอถึงวันที่หนึ่งมกราคม2548ลูกปวดท้องแต่ช้ามืดปวดทีขึ้นเรื่อยๆลูกก็ทนปวดไปเพราะไม่รู้จะทำไงมันดีกว่านี้ ปวดไปเรื่อยๆปวดจนเกือบถึงสองทุ่มแต่ช้ามืดนะก็ยังคลอดไม่ได้สึกของผู้ชายคือสึกของผู้หญิงคือๆๆๆๆหมอจึงบอกกับลูกว่าพาตัดดีกว่าลูกจึงจะลงพาก็พาเมื่อหมอบล็อกหลังและฉีดยาชาเสร็จก็บพาลูกแฝดทั้งสองคนออกมา เป็นหญิงนั่งคู่มีร่างกายแข็งแรงดีค่ะลูกพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสามวันหมอให้กลับบ้านได้แล้ว ก, ก็ได้มอบลูกแฝดทั้งสองให้พี่สาวสามีเป็นคนเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่โดยมีลูกและสามีเป็นผู้ช่วยแต่ก็เหนื่อยมากค่ะ <c oughs> เหนื่อยไหม <c oughs> ตอนเลี้ยงเหนื่อยไปช่ไหมเหนื่อยมากนะเพราะเด็กทั้งสองคนเวลาผานไปหนึ่งเดือน ลูกลสามีอยากกลับไปทางานตามเดิมแต่พีสาสามีก็ไม่สามารถดูแลลูกแฝดทั้งสองคนเดียวได้ลูกจึงจะให้แม่ลูกที่อยู่ตระดิตเลี้ยงให้เพราแม่เลี้ยงลูกเก่งมาเลี้ยงหลานต่อลูกยิงโทรไปหาแม่แม่ก็โอเ ค, อเคตกลงแล้วใครเห็นลูกสาวของลูกแล้ ว, ลวก็อยากอุ้มทุกคนเลย วันที่เก้ากุมภาพันธ์แม่และญาติญาติก็เด็มม า, ารถกระบะมาจากบ้านที่อุตรดิตโดยมารับลูกเทปธุมก่อนแล้วจึงจะไปที่สุรินทร์มากันทั้งหมดมีแม่ของลูกน้าสบายของลูกและน้าผู้หญิงทเทพเจ้าของรถมาพร้อมกับลูกชายอีกหนึ่งคนพอเช้าวันที่สิบกุมภาพันธ์ก็พากันออกเดินทางไปสุรินทร์ต่อโดยวิพีสารลูกซึ่งทํางานอยู่ที่วัดไปด้วยอีกคน ไปถึงสุรินตอนเย็นวันที่สิบกุมภาพันธ์หลังจากขินชมลูกสาวแฝดทั้งสองเสร็จแล้วก็ทานข้าวเย็นกันพอทานข้าว เ, เสร็จแล้วก็จะพากันกลับอุตรดิต์ไม่ได้นอนพักผ่อนเลยทางญาติสามีก็ได้ทักท้วงให้นอนพักสักคืนก่อนจะทงแม่ของลูกและนั่นนทจะไปด้วยกันไม่ยอมพักจะขอกลับเลยก็เลยต้องกลับในเย็นวันนั้นโดยพาหนะรถยนต์ ประมาณทีห้าก็กว่าคือพงโมงเชา้าวันที่สิบดกุมภาพันธ์ขณะนั้นรถได้แลนมาถึงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่ทุกคนหลับสนิทลูกเองก็ได้ยินเสียงดังครืนแรงมากพอรถก็ได้พุ่งลงจากไหลถนนลงข้างทางจนกระท่ต้นไม้อย่างแรงจนบุบมาเกือบถึงตัวลูกแล้วก็จอสนิทอยู่ในท่าตะแขงเล็กน้อย นาผู้หิงซึ่งอยู่ที่กระบะหลังกระเด็นมาตกลองพื้นที่ข้างประตู ด, ด้านคนขับทําให้สะโพกหลุดตรงบริเวณขาเปียกชุ่มไปด้วยเลือดแม่และนาสะพายลูกซึ่งอยู่ที่กระบะหลังเช่นกันกระเด็นออกจากกระบะรถไปนอนคู่กันอยู่ในท่าเดียวกันที่ริมถนนอยู่ห่างจากรถประมาณหเมตรแม่และนาสะพายเสียชีวิตทั้งคู่ส่วลูกสาฝาแฝดคนน้องซึ่งลูกอุ้มอยู่ ถูกเบารถกระแทกอย่างแรงจนสมองยุบเสียชีวิตทันทีเช่นกันสี่เหลือเจ็บบ้างเพียงเล็กน้อยพีสาที่นั่งเบาหน้ารูปได้อุ้มรูปหลอดหลวงปู่สดซึ่งนำมาจ็กที่พักไม่เป็นอะไรเลยแต่รูปหลอหลวงปู่สดนั่งช่วที่กำลังชลมุนพิสาได้วางไว้ทีหนารถปอดแตกตึงมานึกได้ที่ปอดแตกตึงก่อไปเสแล้วพิสารู้สึกเสียดายมากสอบของแม่และแฝดของน้องได้ตั้งสวดที่บ้านลูก ส่วนศพของนาสะพ้ายก็ตั้งสวดที่บ้านของนาสะพ้ายตั้งคนละบ้านกันซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกัน ใ, นใครก็ต้องตายกันทั้งนั้นน่ะเนาะเช่งที่ศพยังตั้งสวดอยู่ที่บ้านตอนเช้าก็จะนิมนต์พระมาสวดแล้วก็ฉันพัะทหารที่บ้านทุกวันพอเช้าวันที่สามหลังจากวันที่เสียชีวิตวันนั้นพระได้ไปสวดที่บ้านของลูกก่อน หลังจากนั้นก็ไปสวดและฉันพัตทหารที่บ้านของนาสะพ้ยพอหลังจากพระฉันพัตทหารเสร็จก็กลับวัดทุกคนได้มาในงานต่างก็กำลังจะรับประทานอาหารร่วมกันขณะนั้นเองหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ 35-36 ปีซึ่งมาร่วมงานศพก็มีอาการเหมือนวิญ ญ, ญาณ น, นาสะพ้ยได้เข้ามาสิงร่างแต่ลูกไม่ได้อยู่ในงานนั้นนะคะคอนเทนต์การเาล่าให้ฟังว่า อนนั้นสัตเข้าร่างได้ก็ร้องไห้มากมายได้พูดปนกับเสียงร้องไห้ออกมาว่าไม่น่าเลยไม่น่าไปเร็วขนาดนี้เลยยังไม่ได้สั่งเสียอะไรไว้เลยแล้วบอกกับทุกคนว่าอยากเห็นลูกๆูกของทุกคนของเธอได้พูดต่อไปอีกว่านี่ขอเข้ามานะใครมาแป๊บเดียวแล้วยังบอยว่าป้าก็มาด้วยมายถึงตัวแม่ของลูกอะติดตายด้วยกัน อุ้มลูกสาวแฝดที่ตายมาด้วยวิญญาณน้สะพายได้ใช้มือตบลงที่พื้นกระดานข้างๆตัวแล้วเรียกลูกหลงตัวเองให้มากราบแม่ของลูกบอกว่าป้าหมายถึงแม่ลูกนั่งอยู่ตรงนี้ลูกหลงน้าสะพ้ายก็ไปเข้าไปกราบที่ตรงนั้นทั้งๆที่มองก็ไม่เห็นแค่ๆอากราบตรงนี้ก็ต้องกราบกันหลังจานั้นเพื่อนของน้าสะพายซึ่งเคยดื่มเหล้าด้วยกันก็ไปรินเหล้ามาให้วิญญาณ ของน้าสะพายดื่มหญิงสาวที่สุวิญญาณนาสะพ้ายเขาสิงก็ยกเหล้าดื่มจนหมดแก้ววิญญาณน้าสะพายก็ยังไม่ออกจากร่างบอกว่าจะรอลูกชายคนที่สองซึ่งไปส่งพระยังไม่กลับมาถนนพระไปแล้วไงถึงเข้าพอลูกชายมาถึงปุ๊บกําลังจะขึ้นบ้านวิญญาณนาสะพ้ายก็ออกจากร่างไปตอนนั้นพอดีตอนที่วิญญาณนาสะพ้ายออกจากร่างต้องฟังให้ดีนะจ๊ะ หญิงที่ถูกนาสะภ้ยสิงก็ล้มลงหมดสติไปขณะเดียวกันนั้นลูกสาวคนโตของนาสะพ้ยก็เป็นลมหมดสติไปพร้อมกันด้วยคือนาสะพ้ยออกจากร่างของผู้หญิงที่สิงลูกสาวคนโตนาสะพ้ยก็เป็นลมหมดสติระหว่างที่ลูกสาวคนโตนาสะพ้ยหมดสติไปนั้นเมื่อฟื้นขึ้นมาเธอได้ไลฟ์ฟังว่าเธอเห็นแม่ของลูกมาด้วยจริงๆ ตามที่วิญญาณน้าสภัยที่สิงบอกแม่ใส่ชุดขาวอุ้มลูกแฝดของลูกคนที่ตายมาด้วยแม่เดินเงียบๆ น, นําหน้าน้าสภัยไปตอนใดนั้นเธอก็เห็นมีมือดําใหญ่มาคว้าแขนแม่ของเธอคือน้าสภัยเนี่ยชุดดึงเอาตัวไปมือดําใหญ่ชุดไปเพราะฉะนั้นจริงๆไม่มีโอกาสได้คุยกับลูกที่ลูกชายที่ขึ้นมาบ้านเนี่ยลูกชายคนที่สอง เธอเองก็รีบคว้าแขนอีกข้างหนึ่งของแม่คือคนที่หมดสติลูกสาวมนโตพยานดึงไว้ไม่ให้แม่ไปแต่ก็ดึงสู้แรงนั้นไม่ไหวเธอไปความรู้สึกว่าร่างของแม่ของเธอหรือน่าสะพ้าของลูกและแม่ของลูกได้ลอยวือดออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็วแวบเดียวก็ถึงถนนใหญ่ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณเกือบ2กิโลเมตรปากของเธอก็พูดว่าแม่อย่าไปแม่อย่าไปคนที่เป็นลมหมดสติ บอกตอนนั้นเพราะถึงถนนใหญ่นะ่าจะไปจิงได้ผลลักร่างของเธอออกและพูดเราไม่ต้องไปอยู่กับ น, น้องนี่แหละเธอตามติดไปด้วยไงแล้วเธอก็ฟื้นขึ้นมาช่วงที่เธอมสตินั้นคนที่ปฐมมรรจาวาลบอกว่าใบานั่งเธอซีดเท้าเย็นกันมาจนถึงขาแล้วค่ะแต่เธอก็ฟื้นขึ้นมาก่อนหลังจากที่แม่เสียชีวิตไปได้ประมาณห้าเดือนลูกก็ได้ฝันเห็นแม่และลูกแฝดคนที่ตาย ในฝันเห็นแม่แต่งตัวแบบชาวบ้านเหมือนตอนที่มีชีวิตอยู่นี่เป็นความฝันของเจ้าของเคสนะจ๊ะแล้วก็ได้พูดคุยกับลูกแต่ลูกจําเรื่องที่พูดกับแม่ไม่ได้ส่วนลูกแฝดที่เห็นในฝันนั้นเดินได้แล้วแต่ตัวดํามากในฝันลูกพยายามพูดกับเขาแต่เขาก็ยังไม่รู้เรื่องไม่สนใจลูกเลยคําถามชวนกันจำนะจ๊ะลูกทำอบัติกรรมใดมาจึงต้องถูกผ่าตัดในการคลอดลูก ไม่สามารถคลอดเองได้ตามธรรมชาติลูกและสามีมีบุปกรรมใดจึงได้ลูกฝาแฝดมาคนที่ได้ลูกฝาแฝดมาเนี่ยเกิดเพราะสาเหตุใดบ้างคะและลูกแฝดทั้งสองก็ทํากรรมใดมาจึงมาเกิดเป็นฝาแฝดกันแล้วก็เป็นหญิงทั้งคู่ฝาแฝดหญิงฟังให้ดีบุปการใรดทําให้ทุกคนในรถต้มาประสบอุบัติเหตุพร้อมกันคะ คำใดทําให้แม่หน้าสะพายและลูกแฝดพี่น้องของลูกเสียชีวิตทันทีแต่แฝดคนพี่ทําไมไม่เป็นอะไรเลยคะตอนที่ชินใจใหม่ๆแม่ของลูกหน้าสะพายและลูกแฝดพี่น้องของลูกเขารู้สึกอย่างไรคะอยากรู้สึกอยากรู้อยากเปความรู้ว่าคนตายใหม่ๆรู้สึกอย่างไรทั้งสามตายแล้วไปไหนคะและฝากบอกอะไรถึงลูกและพี่น้องทุกๆคนบ้างคะ บนเทวทิตย์ไปให้ทั้งสามได้รับหรือไม่ควิญญาณนาสะพยได้มาเข้ามาสิงร่างของผู้หญิงที่มาร่วมงานศพจริงหรือไม่คะนาสะพยต้องการพบลูกทุกคนเพื่อจะบอกอะไรกับลูกๆของเขาคะน้าสะพยบอกว่าเขาให้มาแป๊บเดียวนั้นหมายความว่าอย่างไรคะเขาในที่นี้คือใครคือเด็กหญิงผู้เขาหรือคือเขาผู้ชาย เอเดนพนาสะพายออกจากกระด้างของผู้หญิงคนนั้นปุ๊บลูกสาวคนโตน่าสะพายก็เปละหมดสติไปพร้อมๆกันลูกสาวคนโตน่าสะพายช่วงที่หมดสติไปเธอได้เห็นหน้าสะพายและเห็นแม่งลูกอุ้มอุ้มลูกแฝดของลูกที่ตายมาด้วยจริงหรือไม่คะถ้าจริงทําไมแม่งลูกจึงใส่ชุดขาวแต่ตัวหน้ากับใส่ชุดเดิมตอนที่ตาย อ้าวาล้วสิมือดำใหญ่ที่หลูกสาวนาะสะพายเห็นว่ามาฉุดเอาร่า ง, งน้าสะพายไปมือของใครคะเ <Okay. S 1> หตุใดนะ้าสะพ้ายจึงถูกฉุดแล้วทำไมแม่ลูกเดินไปแบบสบายๆไม่มีใครมาฉุดไปคะแล้วเขากำลังจะพากันไปไหนคะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่แหละนี่ทยายอยู่ก็ง่ายนิดเดียวนี่แค่น้ำลายไอฝอยของยายนะ ยังตอบได้หลังจากที่แม่ตายไปประมาณห้าเดือนลูกเดีย๋ยฝันเห็นแม่และลูกสาวที่ตายมาหาความฝันนั้นเป็นจริงหรือไม่คะแล้วทําไมลูกจึงฝันอย่างนั้นคะลูกกับพี่ที่เป็นหัวหน้า ง, งานเคยทําบุญอะไรร่วมกันมาคะเถึงเริ่มงานกันดีๆมาตลอดหัวนัา ง, งานของลูกเขาเคยสร้างบารมีมากับหมูนะ่คณะอย่างไรคะอืมไม่เกี่ยว ตัวลูกสามีและลูกแฝดที่จะมีชีวิตอยู่เคยทราบบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะพุทธนนท์ที่แล้วตัวลูกเดี๋ยวพบหมู่คณะใหม่คะถ้าพบลูกได้๋ยวกราบดูสิบบุรีใหม่คะเห็นได้ชาตินี้ตัวลูกจริงได้มาทํางานรับใช้พระพุทธศาสนาอยู่ในวัดคะตัวลูกเคยเข้าถึงพระธรรมกายมาหรือไม่คะจําเรื่องราวและคําถามได้ไหมจ๊ะ รับตาฝ่ายเมันตัวเป็นตาเติมขึ้นม า, านแล้วก็นำมาไล่ฟังปัิยายปารัมปรากัญจาลูกต้องถูกพาตาคลอดลูกนั่นจะไม่สามารถคลอดได้ด้วยวิธีธรรมชาติเพราะเสกกรมไปปฏิบัติ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นวิมุตตบยุงเป็นต้นมาส่งผลแจ้าคือหลายๆชาติมารวมกันหรือชาติเดียวมารวมกันก็ถังเยอะแยะทีเดียว ลวนมีวิบากทั้งสิ้นลูกและสามีได้ลูกแฝดฝาแฝดมาเพราะอ่ะลูกแฝด ต, ตอบไห น, เ, นเคยสร้างบุญร่วมกันมาถูกต้องจ้าแล้วก็ดวได้อธิษฐานให้มาเป็นพ่อแม่ลูกกันจ้าส่วนผู้อื่นจะมีลูกฝาแฝดทั้งแฝดสองแฝดสามเป็นต้นเพราะหนึ่ง บุญกรรมของพ่อแม่สองบุญกรรมของลูกสามบุญกรรมของพ่อแม่ลูกที่ทำร่วมกันเช่นเอามีสี่นะพ่อแม่ได้สร้างบุญรือตั้งความปรารถนาให้มีลูกแฝด อ, อยากได้มาก<อ>ว่าจะได้ไปเสียเที่ยวอะไรเงี้เอา จึงไปดึงดูผู้ที่มีบุญกรรมเสมอตนมาเกิดพร้อมกันแม้ไม่ได้ทําบุญร่วมกันมาหรือสองบุญกรรมของลูกแฝดที่ทําร่วมกันมาคือลูกแฝดก็ทำบุญร่วมกันมาแล้วอธิษฐานได้เป็นพี่น้องร่วมกันซึ่งบางทีก็เป็นเพื่อนรักกันมาก่อนบ้างเป็นพี่น้องกันมาก่อนบ้างเป็นพี่น้องร่วมสาบันกันบ้างรักกันมากอธิษฐานขอให้มาเกิดร่วมกันหรือสามแนดีเป็นพ่อแม่ลูกกัน ดัิฐานเนี่ยมาเป็นพ่อแม่ลูกมื่อมาเกิดพร้อมกันก็เป็นลูกแฝดจ้นะคือถ้าลูกมาเกิดพร้อมกันก็ตอนที่พ่อแม่ประกอบท่าธรรมแล้วมาเกิดพร้อมกันก็มาเป็นลูกแฝดหรือสีเกิดจากพ่อแม่ลูกมันมีการร่วมกันมาก่อนแต่มีการามเสมอการก็มาเกิดพร้อมกัน<อ>เช่นมีกายละเอียดที่หมดบุญใกล้เคียงกันอยู่ในเป็นภูมทิทวางนะ บุญหมดกใกล้เคียงกันและในเวลาเดียวกันหัวหน้าเขยจิงชี้ให้มาเกิดบอกไปเกิดบ้านนี้ไปซึ่งมีกรรมเสมอกันอย่างนี้ก็ทุบเข้าไปเลยไปเกิดเป็นแฝดในกรณีลูกแฝดทั้งลูกนั้นก่อนมาเกิดก็เป็นภุมะเทวาญิงหมดบุญพร้อมกันและมีกรรมเสมอกันยิงถูกชี้ให้มาเกิดพร้อมกันเจ้านี่ทุกคนในเราจะมาประสบอุบัติเหตุพร้อมกันเพราะ ในอดีตเป็นเพื่อนบ้านกันจะรวมกันฆ่าสัตว์ล้มบัวควายเพื่อจัดงานฉลองประจําปีเป็นประจาว<อ>ิบากกรรมนี้ได้มาส่งผลพร้อมกันจะ้ะ<อ>เพื่อนบ้านจัดงานเลี้ยงในสังของเษษษกษตรกรรมเนี่ยก็จะล้มบัวล้มควายเนี่ยไงจัดงานฉลองประจําปีเลี้ยงแขกเหลื อ, อพอวิบากกรรมนี้ส่งผลก็ปุ๊บเลยมาเกิดเจอกันส่งผลพร้อมกันก็อย่างนี้แหละ แม่น่าสะพายแฝดผู้น้องต้องเสียชีวิตทันทีแต่แฝดผู้พี่ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้มีกรรมร่วมด้วยในการล้มโวลงควายอะไรต่างพวกนี้จึงรอดชีวิตมาได้แต่ว่ามีบุญกรรมที่มาเกิดร่วมกันได้ในกรณีที่หมดบุญใกล้เคียงกันหรืหน้าเขตชีแม่น่าสะพายลูกแฝดผู้น้องตายใหม่ๆนั้น แม่ก็น่าสะพรายรู้สึกสับสนตกใจทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเน<อ>ี่ยเพราะเหมือนตื่นขึ้นแค่คลโอมหมดสติแล้วตื่นเงี้คล้ายๆอย่างเนี้ยท<อ>ีนี้ก็เห็นคนวุ่นวายที่เกิดจากเหตุการณ์เนี่ยก็เลยพยายามที่จะเข้าไปดูเหตุการณ์นั้นเห็นร่า ง, งตัวเองนอนอยู่แล้วเห็นลูกแฝดที่ตายาลูกแฝดทั้งสองนอนอยู่นะ่ ก็พยายามอุ้มกันมาสองคนแต่อุ้มแต่เพียงคนเดียวคือคนที่ตายแล้วไอ้คนยังไม่ตายเนี่ยอุ้มอาการละเอียดได้ไงเพราะมีความละเอียดเท่ากันส่วนแฟนพูดน้องตายแล้วรู้สึกไงถูกต้องจ้ะไม่รู้สึกอะไรเมื่อาตายปุ๊ก็โตเป็นเด็กทันที เท่าขนาดที่ตายแหละเท่านั้นแหล ะ, ะปุ๊บตื่นขึ้นมาตายแล้วทั้งสามคนก็ไปเป็นพุมมาเซวาอยู่ที่หมู่บ้านพุมมาเซวาที่ห่างไกลจากบ้านพอสมควรโดยมีเจ้าหน้าที่เขตพาไปแม่และน้าสภพายก็กําลังเลี้ยงหลานอยู่ในบ้านของแม่ที่มีน้าสภพายอยู่ด้วยน้าสะพ้ายเนี่ยไปอยู่บ้านแม่ ในหมู่บ้านพุมาเทวานและกาลังเลี้ยงหลานที่ตายเนี่ยเออเพราะแม่มีบุญที่ทำตามประเพณีอยู่บ้างในพุทธในพระพุทธศาสนาได้ฝากข้อความมาว่าได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้สภาพทุกอย่างดีขึ้นมีอาหารทิพดีขึ้นมีเสือ้อมีผ้ามีที่อยู่อาศัยดีขึ้นกับเดิมในทุกด้านใจสงบลงแล้วตอนนี้ ไมนกวนกวาดใจเหมือนช่วงแรกแล้วยอมรับสภาพแต่ห่ดตายแล้วตอนนี้ตายแล้วนี่ไม่ใช่ทีนี้เขาเลี้ยงหลานยังไงล่ะเออนมทิพย์ถูกต้องจ้ะให้ดูนิ้วถูกต้องจ้ะน้ำนมจะออกมาจากนิ้วหรือบางคนจะออกมาจากฐานของมันได้ ออกมาด้วยบุญที่เกิดขึ้นแปลกไหมล่ ะ, ลละมันแปลกดีน ะ, ลละวิญญาณที่มาเข้าสิงร่ร่างของผู้ที่มาในงานศพนั้นเป็นเรื่องจริงจช่ซึ่งก็คือนาสภัยนั่นเองที่เจ้าหน้าที่เขตอนุ ญ, ญาตให้มามาบอกลาได้แต่แป๊เดียวเพราะเป็นระเบียบหรือกฎเกณฑ์ของชาวปุมะเทวาเขาพอไปนั้นปุ๊บก็จะมีกฎบังคับแล้วนะ เราจะต้องทำตามกฎเกณฑ์กติกางี่งีงีงีงีงี้อย่างนี้ไงทุกแห่งรุ่นมีกฎมีเกณฑ์ตั้งๆบังคับกันต่อๆกันมาเลยบังคับผังใหญ่ผังย่อยเลื่อยมเห็นไหมนี่ตอนเป็นมนุษย์ก็บังคับตายแล้วก็บังคับอีกแต่เกิดเป็นอะไรบังคับอะไรหมดเท่านั้นเทวดาก็ถูกบังคับผมโลกผมโอ้มอยู่ในกรอบตรงนั้นเยอะแยะเมื่อเป็นยาจากร้าน ของผู้หญิงที่มาร่วมงานแล้วลูกสาวคนโตของน้าสะพายก็หมดสติเต็มทีเพราะรักแม่รักแม่แล้วก็อาลัยอาวรเสียใจมากอยากตายตามแม่ไปจ้ะเลยวูบไปเลยลูกสาวโตของน้าสะพายช่วงที่หมดสติเธอได้เห็นหน้าสะพายและเห็นแม่ของลูกอุ้มลูกแฝดคุณน้องมาด้วยนั้นเป็นเรื่องจริงๆจ้ะที่แม่ใส่ชุดขาว แล้น้าใสชุดเดิมเพราะแม่ทำบุญมากกว่านะจึมีบุญมากกว่านะแต่นั้นนะามีบุญน้อยกว่าจึงใส่ชุดเดิมตอนที่ตายจะ้ะนี่ใช่ไหมจ๊ะวันวันเราจะแต่งตัวให้ศพงามขนาดไหนถ้บุญมากบุญน้อยนี่บุญมากก็ไม่ได้ใสชุดที่เราแต่งนี่ถ้บุญน้อยอ่ามีสิทธิ์มือดำใหญ่นี่ที่ขึ้นขัดเอากึ้นมาเนี่หัวข้อเลย สีลูกสาวนัทสภาเห็นว่ามาฉุดเอาร่างนัทสภายไปนั้นมือนั้นคือมือของเจ้าหน้าที่เขตจ้ะ mm. อนัทสภายจะดือ้อเหมือนจะไม่ยอมมายจรแรกตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขต จ, จึงต้องฉุดเพื่อเข้ารอยต่อระหว่างพบไปยังหมู่บ้านภูม่เทวาซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขต จ, จ้ะส่วนแม่เดินแบบสบายๆเดินไม่มีใครมาฉุดเพราะมมแม่ มีบุญมากกว่าและเข้าใจหลักความตายของชีวิตมากกว่าจ้าเขาลังจะพาไปหมู่บ้านพม่าเซวาที่อยู่หา่างไกลจากบ้านเพื่อที่จะอยู่ตรงนั้นนะจ้าหลังจากแม่ตายไปได้หาเดือนตัวลูกเดี่ยฝันเห็นแม่และลูกสาวมาหาความฝันนั้นคิดไปเองจ้าเป็นจิตนิวรณลูกกับพี่ที่เป็นหัวหน้า ง, งานได้ร่วมงานกันมาด้วยดีตลอดเพราะเป็นเรื่องปัจจุบันจ้า ก็เพราะตัวลูกทาตัวให่น่ารักหัวหน้า ง, งานนั้นก็เลยต้องรักเพราะไม่รักแล้วคลุ้ม <c oughs> จึงทําให้งานราบรื่อนจ้าหัวหางานก็สร้างบา ร, รมีกระบวนคณะมาอม <c oughs> โดยพุทธินาที่ผ่านมาเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชจ <c oughs> ต่ อ, อบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตมีนตีเผยแผ่ <c oughs> มี่ผลการปฏิบัติทำพอตัวราว่ากดูสิบุรีได้ ที่มาเป็นผู้หญิงในชาตินี้เพราะกรรมเจยาชุในหลายๆชาติรสมทุทธดอนที่ผ่านมานี้มารวมส่งผลจ้าตัวลูกสามีและลูกแฝดเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเบียงประเภทตามอารมณ์จึงทําให้บางชาติกันเจอกันบางชาติกัไปเจอกันดังนั้นชาตินี้จะได้ปบำมานในการสร้างบารมีนะจ๊ะตัวลูกไปค่อยสม่ำเส ม, มอทั้งทางศีลภาวนาจึงมีผลการปฏิบัติธรรมดีไม่เท่าที่ควร ชาตินี้ถ้าอยากกลับดุสิตบุรีก็ต้องทนมเทชีวิตจิตใจสร้างบุญมีให้สมัำเสมอจ้าชาตินี้เมื่อมาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบุญมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามเตปิดดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโอโพธิสัจเจดีพัดกันเลยจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวงแค่สัตดีสั้นๆสําหรับคืนนี้นะจ๊ะ